หลังจากที่พระโพธิสัตว์ผู้เป็นกษัตริย์พระนามว่าเขมะเนี่ยถวายของทุกอย่างที่ที่ท่านยินดีที่ท่านปรารถนาพระมุนีผู้มีโมนายธรรมคือพระกักุสัมถพุทธเจ้าผู้นำวิเศษพระองค์นั้นก็พุทธพยากรพระโพธิสัตว์ว่าในพัทกัปนี้แลแต่ว่าต้องผ่านพระพุทธเจ้าอีกสององค์นะพลพระพุทธเจ้าโกนาคมณนะผ่านพระพุทธเจ้ากัสปะ เลยจากนั้นไปท่านผู้นี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่กลับนี้ไม่นานสักเท่าไหร่เนี่ยนะแล้วก็กล่าวถึงว่าพระตถาคตผู้สร้างบารมีจนเต็มเปี่ยมออกอภินศษกรมออกบวชจากกรุงกบิลพัทอันน่ารื่นรมตั้งความเพียรแล้วก็ทำทุกกะรกิริยารวบรวมโพธิปักขยธรรมพระตถาคตประทับนั่งณโค น, ะนต้นอาชะปาลนิครรับข้าวมาุปายาสนะที่นั้นแล้วก็เสด็จไปยังแม่น้าเนรัญชา พระชินะพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสวยข้ามัทุปายาที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราสเสด็จดำเนินตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้ไปที่โคนโรพพฤกจากนั้นพระผู้มีพระยศใหญ่ทาประทักษิณโพที่มันทสถานอันยอดเยี่ยมตรัสรูณโคนโรพพฤกชื่อว่าต้นอสัสัทะเนี่ยนะต้นต้นอสัสัตถะก็คือต้นโพใบ ท่านผู้นี้ต่อไปจกมีพุทธมารดาพระนางมายาพุทธบิดาพระเจ้าสุดโทธนะผู้นี้มีนามตามโคตว่าโคตมะ <c oughs> จกมีพระอัครสาวกเชื่อว่าโกริตะและอุปเทสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นพุทธอุปถากเชื่อว่าพระอานนท์จกบำรงพระชินเจ้าพระองค์นี้ จกมีอัคราสาวิกาชื่อว่าพระเคมาและพระอุบลวันนาทั้งคู่นั้นเป็นผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอัศาธาอัคราอุปถากชื่อว่าจิตตะและหัตถะอลวะกะอะกะัคราอุปถายิกาก็ชื่อว่านันทมาตาและอุตราพระโคโดมผู้มียศพระองค์นั้นเกิดในสมัยคนมีพระชนมายุมี สมัยที่คนมีอายุร้อยปีแต่พระองค์ดำรงอยู่80ดสิปีเนี่ยนะแม้พยากรเมื่อสมัยเขาหลายๆปีเนี่ยพอฟังร้อยปีเนี่ยนะใจแป้วเลยนะอายุน้อยจังเลยเนาะเหมือนกันทีนี้ขณะที่พระองค์พยากรเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้พยากรแอบไปซุ่มพยากรคุยกันสองคนนะเออเนี่ยท่านจะเป็นพระพุทธเจ้านะแบบลับๆอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ ตอนที่พระองค์พยากรณ์นั้นก็มีการทําบุญมีสมาคมใหญ่อย่างพระราชาทําบุญเนี่ยบริวารมาร่วมเจริญกุศลเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็เลี้ยงพระพิสูุเป็นหมื่นรูปเนี่ยนะเลี้ยงพระพิสูจเป็นหมื่นรูปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่มาให้ทานมาถวายทานมาฟังธรรมนั้นหาประมาณไม่ได้เทวดานี่หมื่นจักรวาลก็มาร่วมเจริญกุศลระหว่างนั้นนะเป็นระหว่างที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์พระโพธิสัตว์พอดีนะเพราะฉะนั้นระหว่างที่พระองค์พยากรณ์ พระพุทธเจ้าอยู่นั้นเนี่ยนะเทวดาและมนุษย์ฟังพระดํารัสของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดเสมอผู้คงที่เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นก็ปราบปลิ่มใจว่าท่านผู้นี้เป็นหนอ่อพุทธทางกูลท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้านะในกลับนี้อย่างหลายๆคนเนี่ยนะพราะวเออท่านไม่ค่อยทันาศาสนาพระพุทธเจ้าองค์นี้นะรู้สึกว่าหวังบ้างแล้วนะแต่หวังหวังแห้งแล้งหรือหวังแบบชุ่มชื้นก็ไม่ทราบว่าจะมีพระสีอานต่อไปข้างหน้า แต่ก็ไม่ใช่น้อยหวังแบบลมๆแรงๆ แ, แต่ก็คนไม่ใช่น้อย่างเหมือนกันที่หวังแบบจิตใจชุ่มเชิญว่าตรัสรู้แน่อย่างพระพระเทรรรูปหนึ่งผู้เรียบเรียงดีกาเนี่ยท่านแตกฉานทั้งประไตรปิฎกอัตถคถาจำได้หมดเลยท่านจำได้หมดเลยแล้วก็แตกฉานมากท่านเชื่อว่าพระสารีบุตรเทระไม่ใช่สารีบุตรเนี่ยนะเป็นสารีบุตรลังกาไม่ใช่สารีบุตร ที่ที่อินเดียเป็นสารีบทชาวลังกาเป็นพระที่แตกฉานทั้งพระไตรปิฎกอัตถาและก็ดีกาแล้วก็เลื่ยเรียงดีกาอะไรเนี่ยนะท่านก็ทําบุญและตั้งความปรารถนาขอให้ดํารงอยู่ในดาวดึงไปเรื่อยๆมางั้นนะแต่จริงๆก็อยู่ดาวดึงต้องอยู่หลายรอบมากจังพระศรีอารย์ยังจะมาเพราะฉนนั้นขอให้ถ้าระหว่างที่พระศรีอานมาข อ, ขอให้ท่านได้มาเกิด และก็ฟังรมก็ได้บรรลุแล้วก็เพื่อจะได้ช่วยงานพระาศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรนะบางท่านก็คิดยาวไปอย่างนั้นบางท่านก็ยาวกว่านั้นอีกนะนะก็แล้วแต่อัธยาศัยบางเงื่อน แต่ที่แน่ๆก็บอกแล้วแต่อัธยาศัยแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยคำว่าแล้วแต่อัธยาศัยเนี่ยขอให้มันอยู่ในอัธยาศัยหกนะต้องเป็นอะไรอะโลพัธยาศัยอะโทสัตยาศัยอะโมหัธยาศัยเนคขมัตยาศัยวิเวกัตยาศัยและนิสรณัธยาศัยไม่ใช่ว่าขี้โกรธก็อนุรักษ์นิยมขี้โลภก็แมไม่ยอมแปลเปลี่ยนเลยไม่ใช่โง่เข่าก็ขอให้มันโง่ต่อไปถ้าอัธยาศัยเร็วๆอย่างนี้นะละได้ก็รีบละ นะนะขจัดได้ก็เรียบขจัดไม่ใช่อนุรักษ์นิยมแบบนั้นแต่หมายความว่าในบรรดาอัธยาศัยหข้อที่เป็นอัธยาศัยดีๆถ้ายัางงี้รีบลอะอรีบเจริญส่งเสริมไปเถอยิ่งเจริญยิ่งดีนะยิ่งเพิ่มยิ่งดีขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะอารภพัฒยาศัย อ น, นะอัธยาศัยมุ่งกําจัดความโลภอัธยาศัยมุ่งกําจัดความโกรธอัธยาศัยมุ่งกําจัดความลุ่มหลงอัธยาศัยน้อมไปในกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปเรียกว่าเนคขมมะเรียกว่าวิเวกะเน้นความสงัดกายสงัดใจแล้วก็สงัดจากบาปอกุศลนิสรณทาย thon จากวัตตะโดยประการทั้งปวงถ้าอัธยาศัยอย่างนี้ท่านให้สนับสนุนให้ส่งเสริมนะให้เกื้อกูลบํารุงรักษาเพราะอัธยาศัยเหล่านี้บุคคลเพิ่มพูนเจริญแล้ว ทำที่สุดแห่งทุกได้นั้นทวนอีกครั้งว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพยากรณ์ซึ่งมุ่งผลว่าผู้ที่บางคนเนี่ยนะพอได้ฟังพุทธพยากรณ์ทำไมเราต้องรอบรรลุจากพลพระพุทธเจ้าองค์หน้าด้วยก็เหมือนอย่างว่าเขาบอกว่าจะทานอาหารกันไหมอาหารเนี่ยตั้งเต็มโต๊ะอาหารอย่างดีประณีตหิ้วก็หิวมากบอกว่าถ้าไม่ทานก็ไม่เป็นไรนะอาหาร อีกสปีข้างหน้ามีอีกมือหนึ่งบอกโอ้จะรอก็รอไป น, นะบางท่านเนี่บอกว่าพอได้ฟังพุทธพยากรตินี่เพียนเลยทําไมเราต้องรอนานขนาดนั้นทําไมจะต้องไปเจ็บปวดเวียนว่ายตายเกิดเพราะระหว่างเนี่ยนะอย่างตัวไหนครับพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากากูสันท่ ม, มาจนถึงพระพุทธเจ้ากัสปะหรือจนถึงเป็นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถามว่าระหว่างนี้เป็นเดรัจฉานไหมบอกเป็นตกนรกไหมตก ในขณะเนี่ยในกลับเดียวกันเนี่ยนะเดรัจฉานก็เป็นไล่ต่างอะไรมาปลาช่อนก็เป็นกระต่ายก็เป็นนะลิงก็เป็นกระบือก็เป็นช้างก็เป็นอะไรอีกน้าก็เป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ระดับไล่ต่างจันทานมาเลยจันทานก็เป็นกษัตริย์ก็เป็นระหว่างนี้กลับสุดท้ายนันสร้างบารมีมาแล้ว เสียสงไข่แสนกลับมากลับสุดท้ายซึ่งมันยังไม่ถึงกลับเลยนะระหว่างนั้นแหมทําไมต้องรอด้วยบางท่านบอกโอ้ใจร้อนนะมไม่รอแล้วว่างั้นขอบรรลุได้บรรลุเลยว่างั้นแต่ที่สําคัญก็ขอให้รู้หน่อยนะว่าบรรลุอะไรว่างั้นก็มานี้ลําบากใจมากเขาอยากบรรลุกันเยอะแยะเลยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาบรรลุอะไรก็ไม่ทราบมันเหมือนกับว่าคนนี่เขาแบบแหมเตรียมรถเตรียมอะไรเบ็ดเสร็จแล้วนะเขาบอกกันน้ำมันก็มีพร้อมรถก็ดีเขาจะขับออกจากบ้านแล้วเขาจะไปแล้วเขาไม่อยู่แล้วก็ถามว่าเขาไปไหน บอกไม่รู้ไปพักที่ไหนไม่รู้ถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ช่าเขาใจเท่าไหร่ไม่รู้อ๋อทางใครก็ทางใครงนั้นนะพราะเราก็สงสารเราเหมือนกันถ้าเราไปอย่างนั้นเราก็น่าสงสารถามว่าเชื่อไหมแล้วบอกเขาเขาเขาเชื่อเราไหมไม่ง่ายหรอกเนี่ยนะเพราะเขามีความมั่นใจเต็มร้อยเขบอกน้ํามันเขาเต็มถังเข่างนั้นรถเขาแรงเพราะเขาจะปฏิบัติอย่างเดียวโดยที่เขาไม่สนใจนะว่าปฏิบัติอะไร อย่างหลายหท่านเนีย่ยนะอย่างอันนี้เล่าให้ฟังไม่ได้พูดมาเพื่อเน็บเพื่อแหนมเพื่ออะไรแต่เล่าให้ฟังว่าเข้าไปที่ต้นโพกันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตัดสรู้อะไรเขายังไม่รู้เลยเขาจะขอไปนั่งเงียบๆอะไรก็ได้ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเลยเพื่อบูชาด้วยความเงียบเขาจะโอ้ถ้าเขานั่งไม่คิดอะไรได้ครึ่งชั่วโมงนะแมหรือ ก, กําหนดคําใดคำหนึ่งแล้วมันนิ่งชั่วโมงหนึ่งบอกโอ้ได้บุญมหาศาลเป็นพุทธบูชาเขาเหมือนเอาความเงียบนั่นแหละเป็นตัว บูชาพะนั้นแล้วถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเขาไม่ได้ไม่เด่นระลึกไปได้ไปสนใจบางคนก็ไปกราบไปไหว้บอกโอ้ยพนอบายทุกขติวินิบาตนรกแล้วเนี่ยนะมาก็มานึกถึง อ, อแล้วพวกแขกที่มันเดินเข้าออกตรงนั้นวันเราไม่รู้กี่รอบไปพวกนี้ใสขึ้นสวรรค์หลายกลับอย่างั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนะที่สําคัญว่าที่เขาไประ ล, ลึกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรงนี้ตรัสรู้อะไรเนี่ยพระองค์ตรัสรู้อะไรตรัสรู้ว่าอย่างไรเนี่ยนะตรัสรูอรสรอรสร้อะไรบ้าง อันนั่นคือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญที่ต้องไปทำความเข้าใจหรือเก็บข้อมูลรวบรวมแล้วไปอ่านที่นั่นก็ได้ว่าพราะองค์ไปนั่งทำอะไรไปตรัสรู้อะไรตรัสรู้ว่าอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะตรัสรู้แล้วมันมีผลมีประโยชน์ดีอย่างไรเนี่ยนะพระองค์ไปนั่งสถานที่โพธิที่บัลลังก์เนี่ยแต่ละวันแต่ละวันพระองค์คิดอะไรบ้างพูดอะไรออกมาบ้างอุทานอะไรออกมาบ้าง เพราะนั้นอันนั้นคือสิ่งที่จะต้องทําความเข้าใจให้มากๆจะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะว่า้คนละอย่างกันก็ได้นะนะอาพระพุทธเจ้าในความคิดของเราก็ได้อาจจะไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์องค์งเดียวกันกับแบบตรงนั้นอ่ะนะอันนี้ก็คืออยากจะเล่าให้ฟังว่าพยายามทําความเข้าใจให้ดีๆว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ น, นั้นน่ะตรัสรู้อะไรถ้าตรัสรู้คนละอย่างจากที่เราคิดก็ถือว่าพระพุทธเจ้าคนละองค์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าคนละองค์กันมันต้อง อยากให้ทบทวนให้ดีๆว่าพระองค์จะบอกว่าต้นโพต้นโพก็คือโพธิแปลว่าการตรัสรู้โพธิเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของสูงสุดเลยคือสัพพัญยุตยานหรือโพธิเป็นชื่อของพระนิพพานเป็นชื่อของสัพพัญยุตยานเป็นชื่อของมัรคยานผลญาณหรือเป็นผู้เป็นชื่อของโพชงหรือเป็นชื่อของโพธิปัจจะธรรมแล้วคุณธรรมเหล่านี้มาจากไหนมาอย่างไรคุณธรรมเหล่านี้ท่านท่านตรัสรู้อะไร รู้แล้วมันดียังไงนําออกจากทุกเหล่าไหนบ้างอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ต้องไปค่อยๆทําความเข้าใจจนกว่าถ้ายังไม่รู้วันนี้ก็ขอให้มันมีโจทย์เดี๋ยววันหน้าตอบได้เองและสบายใจนะนะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็กรอกตัวเองไปวันๆหนึ่งก็ดีนะก็เกลี้ย ก, กล่อมให้ก็เป็นกุศลสัสังขาริกกว่ายังดีอ่ะนะสัสังขาริกเรื่อเออเชื่อเธอดีนะพระพุทธเจ้าก็ดีแต่ว่าถ้าสัสังขาริกอยู่อย่างนี้ถ้าความเข้าใจไม่พอเชื่อเธอะเดียวก็เลิก นะเพราะว่าคนที่ไปบริเวณนั้นไม่ได้เลื่อมใสกันทั้งหมดนนะเพมาเคยไปนั่งสนทนากับภิกษุบางรูปไม่ได้เลื่อมใสเลยนะไม่ได้เลื่อมใสในเขาก็ไปนะมีผู้ออกทุนออกรอนออกอะไรให้ไปใช้จ่ายเยอะแยะเลยแต่เขาไม่ได้ไปเลื่อมใสในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเลยเขาไม่มีใจอนุโมทนาตับบุคคลที่ไปบูชาเลยเขาพกแต่ความสงสัยไปเต็มหัวใจนะนะ พกแต่ความสงสัยไปเต็มหัวใจกำลังนึกถึงว่าเออถ้าท่านกลับมาเผยแพร่บ้านเราแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ทราบนะมันก็พยายามทบทวนทําความเข้าใจให้ดีๆว่าพระพุทธอ่าโดยเฉพาะเนี้ยคำพยากรณ์ว่าเนี้ยผู้ที่จะตรัสรู้ต่อไปในอนาคตท่านตรัสรู้อะไรตรัสรู้ว่าอย่างไรแล้วทําไมเราจึงอยากตรัสรู้แบบนั้นบ้างตรัสรู้แบบนั้นแล้วดีอย่างไรเนี่ยนะเชื่อไหมทุกอย่างในโลกนี้ใครทําอะไรนะโดยมากจะตอบได้เว้นแต่ในทาง คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะลงทุนลงรอนซื้อหาค้าขายเนี่ยเขารู้หมดนะว่าซื้อเท่าไร่ขายเท่าไร่จ่ายเท่าไหร่กำไรขาดทุนเท่าไรเขารู้นะแต่เจริญกุศลเนี่ยตอนนี้ได้บุญเท่าไหร่ อ, อากุศลเท่าไหร่แล้วกุศลเนี่ยมันให้ผลต่อเท่าไหร่ต่อไปเออไม่ค่อยรู้แล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยเนี่ยนะแล้วก็ที่สําคัญแม้กระทั่งระดับสูงสูงก็ค่อยไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆมันศาสนาช่วงนี้ครับพระจันทร์ข้างแรมเดือนเสี้ยวเนี่ยนะ ก็ค่อยเสี่ยวไปเรื่อยเสี่ยวไปเรื่อยเสี่ยวไปเรื่อยถามว่าน่าสงสารขนาดไหนใช่ไหมสงสารเราเหลือเกินนะนั่มาเกิดยุคนี้นะเกิดยุคเคลื่อนเคลื่อนวัดยุคพระจันทร์ข้างเรา ม, มันเดินชนกันหมดอ่ะนะมันมองไม่ค่อยเห็นกันนะยากมันก็พยายามปรับทัศนคติเกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าให้เพียงพอไม่อย่างนั้นพุทธังสารานังคัจฉามิ ข, ของเราก็เลื่อนลอย เพเกิดมาพ่อแม่ก็พาว่าพุทธังสารนังคะฉามีมนา น, นแต่ว่าเลื่อนลอยเต็มทีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็นับถือเอ๊ะแต่คนอื่นก็ไม่เลวนะคนอื่นก็ไม่ได้ด้อยกว่าพระพุทธเจ้านะขว่างนันพระพุทธเจ้าก็ดีคนอื่นก็ไม่ได้ดีน้อยกว่าพระพุทธเจ้าเลยทุกคนดีหมดเลยอันนี้ก็บอกว่าเขาไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาระอะไรหรอกเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทบทวนให้ดีๆหน่อย ย้อนกลับมาที่ฝ่ายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะที่ได้ฟังการประกาศบอกถึงการตรัสรู้ว่าพระโพธิสัตว์ของเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเขาเหล่านั้นก็ดีใจนะว่าเนี่ยนะต่อไปเนี่ยนะอีกผ่านพระพุทธเจ้าไปอีกสององค์จะมีองค์ที่สามนะจะบรรลุต่อไปอีกก็เลยดีใจโ吼ร้อง ปรบมือหัวร่อร่าเริงประคองอัญเชลีกล่าวนอบน้อมว่าถ้าหากว่าพวกเราพลาดจากาศาสนาของพระโลกกพระองค์นี้นะถ้าพลาดจากการกําหนดรู้ทุก์พลาดจากการละสมุทยัยพลาดจากการทํานิโรธให้แจ้งพลาดจากก า, ก, การเจริญอริยมรรคให้บรรลุโสดาปติมรรคสกทาคามิรรคอนาคามิรรคและอรหัตตมรรคน้สายอนาคตพวกเราก็จะขออยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้คือพระโคดมผู้นี้แหละ เรามาช้าไปหน่อยนะไม่ได้อยู่ตอนหน้าอ ย, อยู่หน้าพระธาตุมนุษย์ทั้งหลายก็บอกว่าเปรียบเทียบบอกมนุษย์ทั้งหลายถ้าจะใช้เรือข้ามฟากถ้ามาที่ท่าน้นํานี้แล้วก็พลาดท่าน้นํานี้ก็ถือเอาท่าน้ําที่จะถึงข้างหน้าหรือข้างหลังะนะชันใดพวกเราทุกคนถ้าว่าผ่านพ้นชินะพุทธเจ้าพระองค์นี้ในอนาคตพวกเราก็จะขออยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ฉั น, นั้นพัน ฝ่ายพระโพธิสัตว์เนี่ยได้ฟังพระดำรัสของพระองค์แล้วก็มีจิตเลื่อมใสยอย่างยิ่งอธิษฐานข้อวัดในการสร้างบารมีทั้งสิบให้เต็มบริบูรณ์เนี่ยนะยิ่งมีศรัทธามากยิ่งขึ้นที่จะสร้างบารมีเพื่อให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าดีใจมากว่ากลับนี้แล้วเนาะจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขนาดว่า เมื่อสีอสงไขยแสนกลับที่แล้วพระพุทธเจ้าทีปังกรพยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านดีใจเหมือนว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพรุ่งนี้แล้วนี้พยากรณ์กลับนี้นะจะดีใจขนาดไหนเนี่ยนะก็ปีติโสมนะรวบรวมพุทธ ก, กุศลธรรมเพื่อสร้างบารมีให้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระราชาเขมะพระองค์นี้อยู่ในเมืองเขมวดีนครเนี่ยกำลังสแสวงหาพระสัพพัญยุตยาน ก็บวชในสำนักของพระพุทธเจ้าปกพระโพธิธศาสนาของเราเนี่ยนะตลอดสอสงไขยแสนกับท่านบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหมด6พระองค์เนี่ยนะที่ได้บวชจริงๆเลยเนี่ยนะในพระพุทธเจ้า6พระองค์แล้วก็เป็นฤาษีอีกหลายชาติแต่ว่าเฉพาะที่เป็นนักบวชเป็นพระพิสุเป็นสะามามาศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติทำตามคําสอนพระพุทธเจ้านั้น มีอยู่6องค์แล้วก็ทรงพระไตรปิฎกจริงๆอย่างแปลกฉานแล้วก็ได้อภิน ญ, ญาสมาบัตสี่ชาติด้วยกันอันนี้สี่ชาติที่บวชเข้ามาแล้วทรงพระไตรปิฎกเนี่ยนะได้สมาบัติ8อภิน ญ, ญาห้าคุณธรรมเว้นแต่มรรคผลซะเว้นแต่มรรคผลโลกิยาธรรมเป็นต้นเนี่ยกรร ม, มสกกาอะไรโดนท่านแปลกฉานมากเลยเนี่ยนะสชาติก็คือในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญาอันนี้ท่านก็ออกบวช ได้ฌานสมาบัติทรงพระไตรปิฎกหรือพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมเมศพระพุทธเจ้าสุชาติเนี่ยนะเมื่อสามหมื่นกับที่แล้วหรือว่าสมัยที่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะเนี่ยนะในกับเนี่ท่านก็นกส่งพระไตรปิฎกแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าเวสภูพระพุทธเจ้ากะกุสันทะเนี่ยนะสององค์องค์งก่อนกะองค์เนี่ยท่านก็บวชแต่ไม่ได้กล่าวว่า ส่งพระไตรปิฎกแต่ก็อยู่ด้วยปีติสมนัตในสามีสรัทธาในพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยปีติประพฤติข้อวัดปฏิบัติแสดงว่าเน้นในการเจริญคุณธรรมเหล่าอื่นมากกว่าที่จะไปเน้นในการสรงพระไตรปิฎกแต่ว่าหลังจากนั้นนะในชาติโชติปาลมานพออกบวชในศาสนาพระพุทธเจ้ากัสปะนั้นท่านก็ทรงพระไตรปิฎกเนี่ยนะ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่ากากูสันธามีอยู่ว่าพระกากุสันธาพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีพระพุทธบิดาชื่อว่าอคิทัตตพราหมนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเกิดในกําเนิดพราหมณ์เพราะว่าสมัยนั้นเขานับถือพราหมณ์มากกว่ากษัตริย์กษัตริย์เนี่ยบูชาพราหมณ์เคารพพราหมณ์ตำแหน่งพราหมณ์เนี่ยยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ฉันั้นพระโพธิสัตว์ก็เกิดในตระกูลพราหมณ์พุทธมารดาชนานีชื่อว่านางวิสาขา พระสัมมาสาัมพุทธเจ้านั้นมีพระตระกูลเนี่ยใหญ่ประเสริฐล้ำเลิศกว่ามนุษย์ทั้งหลายผู้มีชาติสูงคือในในสมัยพุทธกาลเนี่ยตระกูลของพระโพธิสัตว์ถือว่าตระกูลที่ใหญ่ที่สุดและเป็นตระกูลที่สูงที่สุดที่คนเคารพนับถือโดยที่เรียกว่าถึงกษัตริย์ต้องสงสวยว่างั้นนะกริย์ต้องสงสวยว่างั้นท่านมีบริวารมากอยู่ในเขมรนครพระโพธิสัตว์นั้นครองราช จ, จะ ครองคารวาตวิสัยอยู่สี่พันปีมีปราสาทชั้นเยี่ยมอยู่สามหลังปราสาทชื่อว่ากามวัฒะกามสุทธิและรติวัฒะเจริญด้วยความยินดีเรียกว่ามีความยินดีที่บริสุทธิ์หรือว่าแม้เจริญด้วยความพอใจเนี่ยนะกามะตัวนั้นแปลว่าหน้าพอใจหน้าใคร่หน้าปรารถนาะหน้าต้องการรติก็หน้ายินดีวัฒะ ก็แปลว่าเจริญนั้นเจริญด้วยความหน้าพอใจแปลว่าประสาทแต่ละหลังอยู่สบายอยู่แล้วพอใจอยู่แล้วมีความสุขพระองค์นั้นมีนารีบำรุงคอยรับใช้เนี่ยนะก็คือผนก ท, ที่คอยเรียกว่าจัดเวรจัดยา ม, มาดูแลในการปรนิบตัติก็แบ่งกันเป็นกะกะไปเนี่ยประมาณร่วมส 0,000 ื่นนางแล้วก็มีเอกภรยาเนี่ยนะภรยาที่เป็นบาลีหลักเป็นเรียกว่าเป็นภรยาหลัก ที่ประจำเลยนะก็คือนางโรจินีเป็นตระกูลพราเหมือนกันมีอรสชื่อว่าอุตระพระชินาพุทธเจ้ากากูสันทะนั้นพระองค์เห็นนิมิตสก็ออกอภินศสกรมด้วยยานคือรถบำเพนเพียนมหาบำเพนประทานรวบรวมโพธิปักคิยธรรมเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแดเดือนบริบูรณ์ พระมหาวีระกากุสันทะพุทธเจ้าผู้นำโลกสูงสุดในนรชนอันท้ามหาพรหมทูลอาราธนาแล้วก็ประกาศพระธรรมจักรณมิขทายวันพระกากุสันทะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์มีอัครสาวกชื่อว่าวิทุระและสันชีวะวิทุระกับสันชีวะสององค์เนี่ยเกี่ยวข้องกับพระโมกขลานะในชาตินั้น พระโมคคัลลานะในชาติอขออภัยในสมัยพระกกคูสันทบเป็นผู้ติเจ้าเนี่ยนะเขาเป็นพญามานนะนะพระโมคคัลลานะเนี่ยเคยกินตําแหน่งมารมาแล้วนะไปทะเลาะกับพระอาหารหันต์วิทุระเนี่ยะทะเลาะกับพระอาหารหันต์วิทุระจนตกนรกเลย น, นะนะประวัติศาสตร์ท่านตกนรกหลายครั้งนะกับนี้พระโมคคัลลานะนะขนาดชาติสุดท้ายท่านยังพ้นจากนรกแล้วจึงมาเป็นอัคารสาวกเนี่ยนะอันโอ๋สังสารวัฏนี่เสี่ยงมาก อันนะั้นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเอาเกี่ยวกับเรื่องพระโมคขลานะเนี่ยไปทะเลาะกับพระวิทุระเถระอาาระัครสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมาให้ฟังแล้วก็มีพระพุทธอุปถาของพระองค์เนี่ยนะชื่อว่าพระพุทธพุทธิชาเนี่ยนะพุทธิปแปลว่าความรู้ชาแปลว่าเกิดผู้เกิดความรู้ อัคารส า, าวิกาชื่อว่าพระสามาและพระจำปาโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าต้นสิรีษะหรือไม้ศึกอัคาระอุปถากชื่อว่าอัจจุคตะและสุมานณะมีอัคาระอุปถายิกาชื่อว่านันทาและสุนันทาพระมหาโมนีนั้นสูง42รัศมีสีทองแล่นไปรอบๆสิบโยชนะโอรัศมีแผ่เป็นร้อยกิโล พระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีพระชนมายุสี่ 0,000 ื่นปีพระองค์มีพระชนมายุยืนถึงเพียงนั้นจึงทรงยังชนหมู่ใหญ่ให้ข้ามโอคะพระองค์พร้อมทั้งพระสาวกแพ่ขยายตลาดธรรมะนะตลาดกุศลธรรมตลาดธรรมะตลาดคําสอนเนี่ยนะตราบเท่าที่บุรุษสตรีในโลกพร้อมทั้งเทวโลกแสดงว่าตลาดของพระองค์เนี่ยนะสินค้าคือรัตนะโพธิปัจจะธรรมเนี่ยกระจายทั่วไปหมดในโลกพร้อมทั้ง เทวโลกพระองค์บรรลือธรรมะดุดราชสีบรรลือหลังจากนั้นก็ดับขันทะปรินิพานพระองค์ผู้ถึงพร้อมด้วยพระสุรเสียงมีองค์แปดประการพระองค์ผู้มีศีลไม่ขาดตลอดการนิรันดร์บาวศีลของพระองค์เนี่ยต่อเนื่องทั้ง สิริร่กายด้วยทั้งพระสุรเสียงด้วยทั้งคุณธรรมมีศีลเป็นต้นด้วยสิ่งเหล่านั้นก็อันตรทานไปสิ้นสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้บัดนี้เหลืออะไรไหมเนี่ยนะถ้าไม่เรียนพุทธวงศ์ไม่เรียนอะไรหลายๆอย่างเนี่ยยากที่จะได้ยินพระนามของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากากุสันทะนั่นนะพระกากุสันทชินะพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเสด็จดับขันธปรินิพานนะพระวิหารเขมาราม วรสถูปเจดีอันประเสริฐของพระองค์ณนะที่นั้นสูงจรดฟ้าขาวุธหนึ่งนะก็ร่วม4ี่กิโลเนี่ยนะเจดี JD สูงมากก็ภูเขาใหญ่ๆลูกหนึ่งนะคิดง่ายๆสำหรับในอัตถกถา ม, ม, มทัทรัฐถวิลาศินีเนี่ยนะกล่าวกล่าวเพิ่มเติมรายละเอียดในพุทธวงว่า เมื่อพระเวสสุูสัมม า, าสยมภูพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้โดยถูกต้องโดยลําพังพระองค์เองเสด็จดับขันทปรินิพานแล้วเมื่อกับนั้นล่วงไปเมื่อกับนั้นผ่านไปดวงทินกรณ์นะทินกรก็หมายถึงดวงอาทิตย์หมายถึงพระชินะพุทธเจ้าก็ไม่มีเกิดขึ้นเลยตลอดระยะเวลา29ก้บับถามว่าเหมือนกับโลกนี้เนี่ยถ้าไม่มีดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาเลยโลกจะเป็นยังไง สับสนอลมานเรีว่าชุลมุนวุ่นวายเดินไปไหนก็คงยากลําบากแท้เนี่ยนะชันใดถ้ากลับใดที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับกับที่ปราศจากดวงอาทิตย์เหมือนโลกที่ไม่มีดวงอาทิตย์ฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็มีแต่ความมืดความบอดเรียกว่าเอกราชอธิปไตยของกิเลสมารก็กำเริบเสพสารใหญ่มากนะพยายามพยายามมารทั้งหลายก็มีอํานาจบาดใหญ่เต็มที่เลยแหละแต่พอมาถึงกับนี้พัทธกับ กับนี้เรียกว่าพัฒกับตลอดเวลาสี่อาศงไขแสนกว่ากลับมาเนี่ยไม่เคยมีกับใดที่จะเจริญเท่ากับกับนี้เลยกับที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นกับที่เจริญที่สุดนะแต่ก็มาคิดอีกในหนึ่งว่าอู้ยุคนี้เศรษฐกิจ ด, ด, ด, ดีที่สุดแต่ก็ขอทานเหมือนเดิมเนี่ยนะเศรษฐกิจ ด, ดีก็เหมือนเดิมฉัน้นใดผู้ที่ศึกษาพระธรรมนะคิดอีกในหนึ่งก็บางทีมันก็คล้ายๆกันนะเขาบรรลุเยอะแยะมากมายเลยแต่เราก็เหมือนเดิมเนี่ยนะเอ๊มเกิดอะไรขึ้น เขาบอกคนอื่นเขาร่ารวยกันเยอะแยะเลยแต่เราก็จนจนเหมือนเดิมนะนี่ก็เหมือนกันนะบอกว่ากับนี่คือพัทธกับกับที่เจริญมากเป็นกับที่มีพระพุทธเจ้า5พระองค์ถ้าพลาดจากกับที่มีพระพุทธเจ้า5องค์แล้วเนี่ยนะจะน่าสงสารขนาดไหนเนี่ยนะเจริญกรุณาให้ตัวเองเยอะๆเนี่ยนะขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกโศกโรคเวรภัยอันตรายเถิดเนี่ยนะต้องเจริญกรุณาเจริญเมตตาให้ตัวเองเยอะๆเนี่ยนะ รู้จักสงสารตัวเองเป็นบ้างนี่จะดีนะคนเนี่ยบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่ามีเมตตาต่อตัวเองก็จะมีเมตตาต่อผู้อื่นถ้าการุณาต่อตัวเองก็จะกรุณาต่อผู้อื่นสงสารตัวเองบ้างเธอถ้าพลาดจากโอกาสในการตรัสรู้รำตามคําสอนนี่จะเป็นอย่างไรเนะาะแบบนั้นทัศกับนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วทั้งหมดนะที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นแล้วจรงิจรงๆรสี่พระองค์ยังไม่มาตรัสรู้อีกหนึ่งพระองค์ที่เกิดขึ้นแล้วสี่พระองค์ก็คือพระกะกุสันทะ องที่หนึ่งที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยต่อไปก็พระพุทธเจ้าโกนาคมณนะและพระพุทธเจ้ากัสสปะและพระพุทธเจ้าของเราส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าเมตไตรเนี่ยนะจากอุบัติในอนาค ต, ตการด้วยประการดังกล่าวมานี้บอกว่าอีกนอ น, งงนถ้าใครบอกโอ้รอพระสีอ่านก็ยังไงยังไงก็เตรียมสเบียงไว้หน่อยแล้วกันเนี่ย ไม่ว่ากันนะนะบอกแม้จะเดินทางเรียกว่าไปดื่มน้ำบ่อหน้าเนี่ยนะก็อย่าลืมพกอะไรนะกระเจน้้ำใส่น้ำไว้เยอะๆนะจะได้ถึงบ่อข้างหน้าต่อไปกับนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าสรรเสริญว่าเป็นพัทธกับยกย่องมากนะยกย่องกับนี้มากว่าเป็นพัทธกับแปลว่าเป็นกับที่เจริญมากเพราะประดับด้วยการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะ ขั้งกับเนี่ยมีอยู่2ออย่างนะพูดถึงกับเนี่ยนะกับเนี่ยมี2อย่างสุญยากับกับสุญยากับสุญญาศูนย์ศูย์ก็แปลว่าเลขศูนย์ไม่มีอะไรศูนย์ไร้ค่าศูนย์ตัวเดียวไร้ค่าถ้ามีตัวนําหน้าอะไรบ้างสักอย่างมันอาจจะมีค่าแต่ปกติศูนย์เนี่ยไม่มีค่าอะไรหรอกนะนะกับที่เรียกว่าศูนย์ากับเพราะมันศูนย์ฉะนั้นแปลว่ามันว่างเปล่าปราศจากพระพุทธเจ้ากับและอสุญญากับ อสุนจะกลับก็มีอยู่ห้าห้าประเภทด้วยกันกับประเภทที่1มีพระพุทธเจ้าเกิดองค์เดียว ก, กับประเภทที่สองมีพระพุทธเจ้าเกิดสององกับประเภทที่สมีพระพุทธเจ้าเกิด4องค์กับประเภทที่4มีพระพุทธเจ้าอะไรนะหองค์ไรห้าองกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิด4ี่องเนี่ยนะมีมีหลายครั้งด้วยกัน นะครับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น4ี่องค์เช่นเมื่อสี่อสงไขยแสนกลับที่แล้วนู้นะมีพระพุทธเจ้าตันหังกรมีทางกรสรนังก ร, ร, งกรทีปังกรเกิดขึ้นสองค์และอสงไขยที่สองมีพระพุทธเจ้าเกิด4ี่องค์เหมือนกันคือพระองค์มังคละสุมาณเรวตะและโสพิตะส่วนกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสพระองค์เนี่ยนะมีอยู่สองครั้งคือเมื่ออสงไขยที่สี่ พระพุทธเจ้าอนุมัตสีปทุมะและนารทะส่วนเมื่อกับที่1800อเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองค์เหมือนกันก็คือพระปิยะทัตสีอัฏฐทัตสีธรรมทรัตสีสมองค์ส่วนกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดสององค์เนี่ยนะมีอยู่หลายครั้งด้วยกันเช่นเมื่อส 0,000 ื่นกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าพระนามวสุเมศและสุชาตะเกิดขึ้นหรือเมื่อ92กลับที่แล้ว มีพระพุทธเจ้าติดสะและพุดสะหรือเมื่อ31มสิบกัปที่แล้วมีพระพุทธเจ้าสิขีและเวสภูส่วนกลับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเพียงพระองค์เดียวก็คือเช่นเมื่อสองอสงไขยที่แล้วเนี่ยมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวคือพระโกนทัญญะหรือว่าเมื่อ1น 0,000 กนกับที่แล้วก็คือพระพุทธเจ้าปทุมุตระหรือเมื่อเก้าบกัปที่แล้วพระพุทธเจ้าสิทธะเก้าสิบกับที่แล้วพระพุทธเจ้า เกกลับนะพระพุทธเจ้าวิปัสสีพันกลับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหนึ่งองค์มีหลายครั้งมีสององค์ก็น้อยลงไปสองค์ก็น้อย4องค์ก็น้อย5องค์เนี่ยเพิ่งมีครั้งเดียวนะก็คือกลับเนี่ยที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหูตั้งหพระองค์เลยนะโอกาสทองมีอยู่5ครั้งใหญ่ๆเลยนะนั่นก็ขอให้โชคดีขอให้โชคดีมีชัยก็แล้วกันนะอนุโมทนาด้วยนะที่เกิดมา ในพัฒกรบเนี่ยนะก็อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ลว้วนแต่ตรัสรู้อริยสัจนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ลว้วนแต่ละนิวรห้ามีสติตั้งไว้ในสติประฐานสี่เจริญโพชฌงเจ็จึงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณก็คือปฏิบตัตรริอริยมรรตตรัสรู้อริยสัจมันพระองค์อดีตก็ปฏิบตัตรริอริยมรรคตรัสรู้อริยสัจพระพุทธเจ้าในอนาคตก็ปฏิบัติในอริยมรรตตรัสรู้ อริยสัจพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็ปฏิบัติในอริยมรรคเพื่อตรัสรู้อริยสัจพันธ์ที่สำคัญก็อย่าให้พลาด